จเจริญพรทุกๆท่านหลวงพ่อไม่น um. ึกว่าวัดนี้ใหญ่ขนาดนี้นะเคยผ่านแต่ข้างหน้าเคยเข้ามาเวลาเราฟั yes, uh huh. งธรรมนะเรามาตกลงกันก่อนปิดโทรศัพท์นะอย่างน้อยก็ปิดเสียงแล้วก็อย่าถ่ายรูปการเรียนกรรมฐาน ฟังธรรมะในภาคปฏิบัติมันไม่เหมือนฟังปริยัติฟังธรรมะในภาคปริยัติผู้เทศผู้สอนท่านเตรียมบทมาส่วนธรรมะภาคปฏิบัตินั้นไม่มีการเตรียมสคริปต์หรอกอาศัยใจของผู้ฟังกับใจของผู้พูดให้มันสื่อกันถ้าใจของคนฟังมีสมาธิธรรมะมันก็ประณีตงดงาม ใจของคนฟังวอกแวกวอกแวกทำมาก็หนีไปหมดมันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าของเรานะ่ยบางทีมีพระจากต่างถิ่นไปเฝ้าท่านพอไปเฝ้าท่านแนละ้วท่านก็เทศบางทีท่านเหนื่อยท่านก็สอนใครต่อใครมาทั้งวันท่านเหนื่อยท่านก็จะบอกพระสาวกผู้ใหญ่ให้แสดงธรรมต่อจากท่าน ท่านบอกท่านเมื่อยแล้วท่านจะเองหลังอนะไรเนี่ยมีบางครั้งท่านบอกพระมหากัสสปะบอกเนี่ยช่วยสอนภิกษุเหล่านี้หน่อยท่านบอกท่านสอนไม่ได้ภิกษุพวกนี้จิตใจนะไม่สงบเลยจิตใจไม่ดีฟังธรรมะที่ประณีตไม่ได้งั้นถ้าเราต้องการฟังธรรมะที่ประณีตนะฟังแล้วมันถึงอกถึงใจจริงๆฟังแล้ว เข้าใจไม่ใช่เข้าสมองเข้าหูเราต้องเอาใจมาฟังใจเราต้องสงบพอใจวักแวกวกแวกใช้ไม่ได้หรอกงั้นทุกวันนี้เครื่องก่อกวนสมาธิในการฟังธรรมมีกล้องถ่ายรูปอย่างหนึ่งแลโทรศัพท์มือถืออย่างนะบางทีหลวงพ่อไปเทศนะ์ถ้าเป็นคนแก่ๆหน่อยเขาคุ้นเคยกับฟังพระแบบโบราณ พะพระเริ่มเทศเขาก็เทศแข่งกับพระเนี่ยทำ ม, ม้าหนีหมดเลยนะอย่างนั้นรับสเีเปล่าๆนะแล้วมูสสาวาดแล้วฟุ้งซ่านพูดเพอ้อเจอ้อแล้วพูดในเรื่องที่ไม่ใช่เวลาที่จะต้องพูดสีด่างพลอยแล้วงั้นเราฟังธรรมนะฟังด้วยจิตใจที่สงบจิตใจด้วยสบายนะล้วทำ ม, ม้ามันจะประนีต การฟังธรรมะนั้นเป็นเรื่องที่มีคุณค่ากับชีวิตของเรามากเลยหูเรามีมาตั้งแต่เกิดเราฟังเรื่องโน้นฟังเรื่องนี้มาส่วนใหญ่นั้นเรฟังสิ่งซึ่งเป็นยาพิษเข้ามาเผาผลาญจิตใจของเราฟังแล้วก็กระตุ้นกิเลสไปเรื่อยๆส่วนการได้ฟังธรรมะนั้นหายากนะเวลาที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆนั้นหายากฟังแล้วมันต้องเอาไปปฏิบัติฟังแล้วต้องลดละกิเลสให้ได้ ถ้าฟังธรรมะแนละ้วลดละกิเลสไม่ได้นะเสียเวลาไปดูหนังฟังเพลงที่อื่นดีกว่าเสียเวลาถ้าคนเทศเสียเวลาทั้งการฟังงั้นอย่าเห็นว่าการฟังธรรมะเป็นเรื่องเล่นๆฟังเล่นๆฟังเอาบุญมันจะไม่ได้บุญนะมันจะได้บาปแทนงั้นเรามาตั้งอกตั้งใจให้ดีนะตอนนี้ใจของพวกเราเริ่มสงบแล้วเริ่มประณีตขึ้นแล้วธรรมะอะไรที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะว่าสิ่งที่ชาวพุทธสิ่งที่พุทธบริษัทสาวกของท่านเนี่ยควรปฏิบัติมีสองอย่างนะคือสมถะกับวิปัสสนานี่ธรรมะในขั้นปฏิบัติแนละ้วขั้นต้นลงมาก็มีการทําทานการรักษาศีลอะไรเนี่ยในขั้นที่จะลงมือปฏิบัติพัฒนาจิตใจจริงๆนะั้นท่านบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำนะคือการ จเจริญสมถะและวิปัสสนาด้วยปัญญา อ, อันยิ่งมีคำว่าปัญญา อ, อันยิ่งด้วยท่านไม่ได้สอนว่าสิ่งที่ควรจเจริญคือสมถะและวิปัสสนาแต่ท่านสอนว่าสิ่งที่ควรจเจริญด้วยปัญญา อ, อันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเราต้องมีปัญญาก่อนแยกแยะให้ออกก่อนว่าอะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาถ้าแยกไม่ออกนะก็ไปปฏิบัติมั่วๆมันไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงหรอก ส่วนใหญ่มันขึ้นไม่ถึงมีปั ส, สนาหรอกได้แต่ความสงบอย่างมากก็แค่นั้นเองวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านใหม่้ก็มาปฏิบัติใหม่สงบเพิ่มอีกก็ฟุ้งอีกฟุ้งไปฟุ้งมาอยู่นันตลอดชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองสงบแล้วก็ฟุ้งสงบแล้วก็ฟุ้งเพราะไม่รู้วิธีเจริญปัญญากระทั่งความสงบนัถ้าทําไม่เป็นไม่รู้วิธีไม่รู้เป้าหมายของการทําสมถะอมถัะก็ทําสเปด ส, สปาไปอีกหลวงพ่อ เ, เองแหละ ทำสมาธิสเปสปะต้องแต่เด็กตอนเด็กๆไปเรียนจากท่านพ่อหลีวัตสุกรามนะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีมากเลยแต่หลวงพ่อไปเรียนได้เด็กเจ็ดขวบยังเด็กมากเลยนะท่านสอนหายใจเข้าพูทหายใจออกโทก็ฝึกมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กๆนะหายใจเข้าพูทหายใจออกโทเราเด็กเราไม่รู้หรอกว่าท่านให้พุทโทไปทําอะไร แล้วก็พุโทโธพุธโทโธนะจิตสงบออกรู้ออกเห็นอะไรเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างนี้ไปสเป ส, สปาไปเรื่อยนั้นหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยเรียกว่าปฏิบัตินะกิเลสหนังไม่ถลอกเลยแต่อยากได้มากุลนิพพา น, นกิเลสนั้นไม่กระตุกระเตือนสักนิดเลยสมาธิมีหลายชนิดนเราต้องแ ย, แยกแยกให้ออกต้องปฏิบัติต้องแยกให้ออกอย่างหลวงพ่อตอนโตขึ้นมาหน่อยนะเข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ย เข้าไปที่ไหนที่ไหนท่านจะสอนคําว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้เดี๋ยวนี้คํานี้เป็นคําที่ลืมกันไปละเมื่อก่อนนะั้นจะสอนเรื่องจิตผู้รู้เป็นเยอะเลยไปที่หาองคไหนองค์ไหนท่านสอนให้มีจิตผู้รู้จิตผู้รูนะ้มีแต่สอนกันเรื่องนั่งสมาธินะนั่งให้สงบลุกเดี๋ยวแค่นั้นมันไม่พอหรอกสมาธินั้นมันมีสประเภทนะเราต้องแยกให้ออกสมาธิชนิดที่หนึ่งนะทําไปเพื่อให้จิตใจสงบสบายมีความสุข มีความสุขมีความสงบมีความสบายมีความดีสมาธิชนิดที่สองเนี่ยฝึกไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดแรกเอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดที่สองเอาไว้เจริญปัญญาสมาธิสองชนิดนี้ไม่เหมือนกันทุกวันนี้ไม่มีใครพูดมีแต่ ว, ว่าให้ไปนั่งสมาธินะหายใจใหายใจอะไรไปไม่รู้ว่าสมาธินะั้นมีสองชนิด ทำที่ไรมันไปเป็นสู่ ส, ส, สมาธิสงบแล้วถ้าทําให้ดีนนัก็เป็นสมาธิเคลิบเคริ้มลืมเน้อลืมตัวขาดสตินั่งสมาธิแล้วขาดสตินั่นก็คือขาดคุณงามความดีทั้งหมดแล้วสตินั้นเป็นตัวใหญ่เป็นตัวธรรมะสาคัญเกิดร่วมกับจิต ท, ที่เป็นกุศลทุกดวงถ้าขาดสติอย่างเดียวก็คือขาดกุศลทั้งหมดเลยงั้นจนถึงเราจะนั่งสมาธินะเราอยากให้ขาดสติอยาให้เคลิ้มอยากให้ลืมตัวนั่งรู้สึกตัวไป จะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรือจะทํากรรมฐานอะไรก็ได้นะให้จิตนี้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะอย่าให้มันขาดสติอย่าให้มันลืมเนื้อลืมตัวเราฝึกสมมติว่าฝึกอนาปนาสตินะเราหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปนะอย่าให้ลืมตัวถ้าหายใจไปแล้วจิตหนีไปรู้ทันไหมนะอย่าให้เคลิ้มพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเพราะถ้ามันเคลิมไปนะเดี๋ยวมันจะออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกซึ่งมันไม่ลดละกิเลสแล้วนะ แล้วก็ไม่ได้พักผ่อนด้วยเพราะจิตหนีเที่ยวงั้นถ้าเราต้องการฝึกสมาธิให้จิตได้พักผ่อนต้องรู้หลักสมาธิที่จิตจะพักผ่อนได้เนี่ยเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเคล็ดลับของการที่จะฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยถ้ารู้เคล็ดลับเราไม่ยากเลยถ้าไม่รู้เคล็ดลับนีไม่รู้หลักของการปฏิบัติแล้วยากนะจิตของเราวัากแวกตลอดเวลาอันนั้นมันเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิด เดี๋ยววิ่งไปอดีตเดี๋ยววิ่งไปอนาคตนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่ถ้าเราต้องการให้มันได้พักผอ่อนเราก็หาอารมณ์เลือกอารมณ์ที่มันมีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อการที่จิตมันวิ่งหาอารมณ์อนนัอนนู้นทีอันนี้ทีนั้นมันวิ่งไปหาความสุขนั่นเองมันคิดว่าวิ่งไปดูแล้วจะมีความสุขพอวิ่งไปดูเข้าจริงๆมันไม่มีความสุขก็อยากไปฟังต่อไปฟังแล้วไม่มีความสุขก็อยากไปกินอยากไปลิ้มรสเลยรนะี้ ในความเป็นจริงแล้วที่จิตมันวิ่งพล่านพล่านไปหาอารมณ์ต่างๆนั้นมันวิ่งหาความสุขเท่านั้นเองงั้นถ้าเรารู้หลักอันนี้นะเราเอาความสุขมาล่อเราเราลองสังเกตตัวเองดูถ้าคนไหนพุโทโธแล้วจิตใจมีความสุขนะเราก็ใช้พุโทโธเป็นอารมณ์เป็นเครื่องล่อจิตให้มาอยู่กับอารมณ์พุโทโธคนไหนชอบรู้ลมหายใจนะก็ไปอยู่กับลมหายใจถ้ารู้ลมหายใจแล้วมีความสุข ก็รู้ลมหายใจเรือ่อยจิตมาอยู่กับลมหายใจมีความสุขแล้วจิตก็ไม่หนีไปที่อื่นเห็นไหมไม่ใช่ไปบังคับจิตนะไม่ใช่ว่าบังคับพุทโธพุทโธแล้ห้ามจิตหนีไปหายใจแล้ห้ามจิตหนีไปจิตไม่ชอบให้ใครบังคับถ้าอยู่ๆเราไปบังคับจิตจะให้นิ่งจะให้สงบอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ทําสมาธิให้ชอบไปบังคับจิตมันไม่สงบหรอกมันต้องมีลูกเล่นนะมีชั้นเชิงหน่อยหาอารมณ์ซึ่งจิตเราชอบ แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างไปตกปลาเนี่ยสงบไหมตกปลาก็สงบนะขงเบ้งวางแผนกวุนศึกนะไปนั่งตกปลา น, ะนั่งคิดต่อสู้แตนะ่ตกปลาเขาก็สงบเพราก็มีสมาธิแต่สมาธิอะนั้นมันเบียดเบียนคนอื่นเราก็หาอารมณ์ซึ่งมันไม่ยั่วกิเลสนะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นหนาะอารมณ์อย่างนี้มาเป็นเครื่องอยู่บางจิต อย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆเชอบหายใจรู้ลมหายใจเราะเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านให้หายใจแล้วเราชอบเวลาหลวงพ่อต้องการพักผ่อนต้องการความสงบจิตใจหลวงพ่อมารู้ลมหายใจพอจิตใจได้รู้ลมหายใจจิตใจมีความสุขพอจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสงบงั้นถ้าใครเ้าถามเรานะว่าเคล็ดลับของความสงบอยู่ที่ไหนตอบเขาไปเสียงดังๆเลยนะอยู่ที่ความสุข ในพระพิธรรมถึงสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะไม่ใช่ความทุกข์เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอย่างบางคนมีความสุขในการเล่นไพ่นะเล่นไพ่แล้วมีความสุขใช่ไมตำรวจมายังไม่รู้เลยนะคิดแต่จะจั่วอย่างเดียวเลยเนี่ยมีสมาธินะไม่ใช่ไม่มีแต่อย่างนี้สมาธิยั่วกิเลสอย่างนี้ไม่เอาหรือดูบอล น, นะดูมวยใช่ชอบดูมวย เวลาดูมวยมีสมาธิจดจ่อกับการดูนะเมียมาเรียกยังไม่รู้เลยจนเะมียจะชกเอาแร้ยังไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันเกิดจากจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขแล้วมันก็เลยไม่วิ่งพลานไปหาอารมณ์อื่นที่มันวิ่งพลานไปเพราะมันเที่ยวหาความสุขเคล็ดลับมันอยู่เท่านี้เองงั้นเราก็มาดูตัวเราเองถ้าเราต้องการทําสมาธิที่จะให้สงบเพื่อพักผ่อนนะ แล้วก็มาดูว่าจิตใจของเราเนี้ยชอบอารมณ์กรรมฐานตัวไหนชอบพุโทโธเราใช้พุโทโธชอบพองยุบเราก็ใช้พองยุบก็ได้จะขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้จะเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าอะไรก็ได้นะถ้าทําแล้วมีความสุขถ้าทำแล้วทุกทรมานจิตไม่สงบหรอกก็เป็นเรื่องเอาเองแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะไม่ใช่ว่าพุโทโธดีกว่าหายใจหายใจดีกว่าพองยุบอะไรนี้ไม่ใช่ ทางใครทางมันทั้งสิ้นแต่ต้องรู้หลักนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสมาธิชนิดนี้มีชื่อชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิชนิดที่จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์บันเดียวแล้วใจสิ่งที่ได้ขึ้นมาคือความสงบมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งอาภัพที่สุดเลยไม่มีคนเรียนไม่มีคนสนใจนะมันชื่อลักคนูปนิชฌาน คนเรียนตำราเรียนอภิธรรมอะไรเนียรู้จักชื่อลัคนณูปนิชานแต่ถามว่ามันเป็นยังไงตอบยากนะตอบยากถ้าไม่เคยฝึกขึ้นมาจริงๆก่อนหลวงพ่อจะบวชนะหลวงพ่อตระเวนไปเยอะเลยดูการปฏิบัตินะเยอะแยะเลยไป ท, นนที่นู้นทะี่นี่นดูดูไปสังเกตอย่างหนึ่งสมาธิชนิดสงบเนี่ยเป็นสาธารณเลยที่ไหนก็มีแต่สมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยอาภัพที่สุดแทบไม่มีเลย บางแห่งมีนะครูบาอาจารย์ทำได้ลูกศิษย์จะทำไม่เป็นไม่เข้าใจอีกนะสมาธิสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ ง, รรน ห, นงหนึ่งต่อหนึ่งนะอยู่ด้วยกันหนึ่งต่อหนึ่งสมาธิตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนอารมณ์เป็นล้า น, ารรานก็ไดนะ้แต่จิตตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นคนดูอยู่อย่างนั้นเองสมาธิชนิดนี้เนี่ย né, ถ้าไม่ศึกษาเนี่ยไม่มี วิธีที่จะพัฒนาสมาธิชนิดที่จิตตั้งมันนะ่นสมาธิชนิดนี้สําคัญมากถ้าไม่มีสมาธิชนิดจิตตั้งมัน่นจะไม่สามารถแยกรูปนามได้ถ้าแยกรูปนามไม่ได้จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามคือทำมิปัสสนาไม่ได้ถ้าทํามิปัสสนาไม่ได้อย่ามาคุยเรื่องจะเอามรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ชีวิตไหนก็หาไม่ไดนะ้งั้นตัวที่จะแตกหักเลยว่าที่เราบอกอยากได้มรรคผลนิพพานนะชอบนะักเชี ทำบุญทําทานอะไรนิพพานพอภิจโยโหตู้มัก็ได้แต่ถอนหัวนถอ น, ห อ, นหอยถอนไปอย่างนั้นเองโหโหอย่างนั้นเองไม่ได้หรอกนะอยากได้นิพพานอยากไดพ้นทุกพ้นร้อนจริงๆนะจิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นได้ถึงจะแยกรูปนามได้แยกรูปนามได้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เพียงพอนะ ถึงจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลต้อง4ีครั้งนะถึงจะแจ้งพระนิพพานจริงๆเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นที่จะแตกหักเลยว่าเราจะได้มรรคผลนิพพานในระยะใกล้ๆนี้ไหมอยู่ที่ว่าเราสามารถพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้หรือไม่ไม่ใช่จิตสงบนะจิตสงบมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกนะตอนเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปบวช งานแรกที่ท่านทําก็คือไปหาฤาษีไปฝึกนั่งสมาธิก็เหมือนพวกเรานี่แหละทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมเราเราก็คิดถึงการนั่งสมาธิก่อนเลยนะเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็คิดอย่างนั้นท่านก็ไปนั่งเข้าฌานท่านฝึกอยู่เจวันเท่านั้นเองจบหลักสูตรของอาจารย์แล้วนะได้เนวสัญญานาสัญญายาตนะอนี่อาจารย์บอกจบหลักสูตรแล้วท่านพบว่ามันไม่ล้างกิเลสนะสมาธิชนิดนี้ไม่ล้างกิเลสหรอก นะท่านถึงต้องมาหาทางเอาใหม่นะทางนี้ไม่สุดตรงนะทางนี้ไม่สุดตรงความสุดตรงมี2 ง, งานอันหนึ่งคือจิตเนี้ยตามกิเลสไปย่อหย่อนเกินไปตามใจกิเลสอันที่สองก็คือบังคับกายบังคับใจมากไปอย่างการที่เราไปทําสมาธิเราไปเพ่งจิตจนนิ่งเลยนะมันเครียดนะมันเป็นการบังคับจิตมากเกินไปทางสายกลางอยู่ตรงที่การรู้ตามความเป็นจริงการเห็นรูปนามตามความเป็นจริง ทางสายกลางอยู่ตรงนี้ตางหากเราจะเห็นรูปนามต่างความเป็นจริงได้เราต้องมีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมัน่นนะสมาธิชนิดนี้มีชื่อเพ ร, เพร้อๆเลยนะชื่อลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณนะ์สมาธิชนิดนี้เนี่ยจะไม่เหมือนสมาธิชนิดแรกสมาธิสงบนั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธแล้วไม่หนีไปที่อื่นอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวจิตอยู่กับพุทโธนะมีความสุขอยู่กับพุทโธ เนนี้เป็นสมาธิสงบสมาธิตั้งมั่นเนี่ยจิตเป็นคนดูอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้แสนอารมณ์ล้านอารมณ์นะเท่าไหร่ก็ได้หมุนเวียนมาได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่คล้ายๆเราอยู่บ้านเป็นตึกแถวริมถนนเนี้ยเราเห็นรถยนต์วิ่งไปวิ่งมานะเต็มถนนเลยเราอยู่บนตึกนะเราไม่วิ่งลงไปในถนนหรือเราอยู่ริมคลองนะริมแม่น้าเห็นน้าไหลมาพัดตานะ ของสวยงามมาบ้างของหน้าเกลียดหน้าชังมาบ้างสิ่งทั้งหลายไหลามาแล้วก็ไหลไปเราอยู่บนบกเราไม่โดดลงน้ำเนี่ยสมาธิชนิดเนี่ยใจเราถอนตัวออกมาจากปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมใจถอนตัวออกมาเป็นคนดูอยู่ห่างๆนะใจมอยู่ส่วนใจจิตอยู่ส่วนจิตนี่แหละแล้วก็เห็นสภาวะธรรมเนี่ยไหลผ่านไปเรารู้อยู่ต่อหน้าต่อตารู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละอารมณ์นั่นจะหมุนเวียน เข้ามาตลอดเวลาเลยอารมณ์นี้มาแล้วก็ไปอารมณ์นี้มาแล้วก็ไปอารมณ์นี้มาแล้วก็ไปใจมันตั้งมั่นอยู่ไม่โดดลงไปคลุกอยู่กับอารมณ์ดูอยู่ห่างๆนะมันสามารถแยกตัวเองออกมาได้สมาธิชนิดนี้ถ้าพวกเราไม่มียังไม่มีโอกาสจะได้มาผลนิพพานหรอกเราแยกรูปนํามไม่ได้จริงหรอกวิธีฝึกให้ได้สมาธิชนิด น, นี้มีสองวิธีวิธีที่หนึ่งนะหัดทาฌานให้ได้ซึ่งคนรุ่นเราเนี่ยยาก ที่จะทำฌานจิตของเราวอกแวกมากเลยวันวันหนึ่งเรารับข้อมูลข่าวสารมากมายนะใจก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงทั้งวันทํายากนะถ้าจะทําจริงก็ต้องฝึกกันนานอยากจะทําฌานจริงๆนะัหัดรู้ลมหายใจไปนะรู้ลมหายใจนะพอจิตเริ่มประณีจิตเริ่มสงบมันลมหายใจยค่อยสั้นเข้าสั้นเข้านะสุดท้ายมันสั้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเองนะในสุดลมมันหยุดนะลมมันหยุดแนละ้วมันแปลสภาพเป็นแสงสว่าง เรารู้แสงสว่างนั้นแทนลมหายใจตัวลมหายใจนะั้เรียกว่าบริกรรมนิมิต <Okay. S 1> ตัวแสงสว่างที่ปรากฏขึ้นมานะเรียกว่าอุคะหานิมิตนะเรารู้แสงสว่างไม่วอกแวกไปนะในสุดใจก็เข้าสู่ปฏิภาคนะเราย่อได้แสงนะัให้เต็มโลกก็ได้นะย่อลงมาเท่าหัวไม่ขีดก็ได้นะย่อใจมีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมานี่ใจได้เข้าฌาน พอใจมีปีติมีความสุขมีวิตกวิจารมีปีติสุขมีความเป็นหนึ่งเอกกตาจิตเข้าฌานขณะใข้าวประตมิฌานนียังไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเลยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยเกิดในฌานที่สองต้องเพิกเอาวิตกวิจารออกไปให้ได้ก่อนตัววิตกตัววิจารเนี่ยมันดึงจิตให้เคลื่อนเข้าไปอยู่กับอารมณ์ตัววิตกนั้นจิตตรึกถึงอารมณ์ตัววิจารนั้นจิตวิเคล้าอยู่กับอารมณ์ อย่างเราตรึกในแสงสว่างจิตเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างตัวรู้เลยไม่เกิดพอทิ้งวิตกวิจารณได้นะจิตมันจะตั้งมั่นมันจะเห็นปีติเห็นความสุขตัวปีติตัวความสุขเนียมันอยู่แนบกับตัวจิตมันจะถวนเข้ามามาเห็นปีติปีติมันจะดับเห็นความสุขความสุขก็ดับจิตก็เป็นอุเบกขาขึ้นมางั้นตัวที่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆเนะีเริ่มในฌานที่สอง นี่แค่ชาติที่หนึ่งเราก็เข้ายากแนละ้วอย่ยว่าแต่ชาติที่สองเลยงั้นมันมันค่อนข้างสิ้นหวังนะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้เป็นวิธีง่ายๆถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปจิตจิตรู้จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ครูบาอาจารย์ท่านเจอกันมา หลวงปูด่ดนลย์เคยสอนเลยว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงอจะรู้นะหลวงพ่อเตียนก็สอนนะว่าอะไรนะถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเพราะั้นถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปคิดนะัจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยหนะลวงพ่อแต่เดิมก็หัดทําสมาธินะเราก็รู้จักตัวรู้ด้วยการทําสมาธิแต่ว่าไปต่อไม่เป็นลนะไม่รู้จะใช้เดินปัญญาได้ยังไง พอไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็คิดเลยจิตเนี่ยต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตไม่ไปอยู่ตามโต๊ะตามเก้าอี้อะไรอยู่ข้างนอกหรอกเนี่นต่อไปนี้เราไม่รู้เกินกายออกไปรู้อยู่ในกายของเรานี่แหละตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วก็ดูลงมาจิตอยู่ที่ผมนื้อขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะไล่ขึ้นไล่ ล, ลงตั้งแต่ปลายผมถึงเท้าจากพื้นเท้าถึงปลายผมไล่ขึ้นไล่ลงนะ หาจิตไม่เจอรู้แต่จิตอยู่ในร่างกายแต่มันไม่ใช่อยู่ใน ส, ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยค้นลงไปในร่างกายตัวจิตยังไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นก็ามานึกต่อว่า ห, หรือจิตเป็นตัวความสุขความทุกข์นนั่งสมาธินะพอจิตมีความสุขดูลงไปในความสุขความสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยแล้วมานั่งไม่กระดุกกระดิกนะนั่งนานมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาดูลงไปในความปวดความเมื่อยนั่งจนมันหายปวดหายเมื่อยเลยก็ไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมา ว่าจิตไม่ใช่ตัวเวทนาจิตไม่ใช่ความสุขความทุกข์หรอกนะหรือว่าจิตเป็นความคิดเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรนะพยายามหาว่าจิตมันเป็นยังไงหรือว่าจิตคือความคิดเลกจงใจคิดบทสวมดมนต์ขึ้นมานะปกติพวกเราคิดทั้งวันอยู่แล้วนะคิดวันหนึ่งนับจำนวนเรื่องไม่ถูกถ้าเราคิดสเปสสปาไปเรารู้ยาก หลวงพ่อเลยจงใจคิดขึ้นมาคิดบทสวดมนต์พุทโธสุดสุดโธกรุณามหันโนวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห่วงมหันนกคิดบทสวดมนต์บทนี้ขึ้นมาทันทีที่สติมันไประลึกรู้มันเห็นจิตมันคิดบทสวดมนต์นะตรงที่รู้ว่าจิตคิดเท่านั้นจิตรู้เกิดขึ้นแะ้วจิตจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยมันกลับข้างกันถ้าจิตรู้เกิดขึ้นจิตคิดจะดับไปถ้าจิตคิดเกิดขึ้นจิตรู้จะดับไป ถ้าเรามาฝึกนะถ้าคอยรู้ทันเวลาจิตมันไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดนะหลวงป้ามีญาติคนหนึ่งนะเป็นไ อ, อ้อี๊อีเคยไปอยู่ที่วัดที่เมืองกาลวันหนึ่งออี้มาบอกหลวงพ่อบอกว่าภาวนาเป็นแล้วเห็นพัดลมนี่ไอี้เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมบอกโอ้ไ อ, อ้เอี๊ยอีคนอื่นเขาก็รู้เห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเห็นหมารู้ว่าหมาไม่ใช่เรื่องปฏิบัติเลยใช่ไหมหรือคิดเรื่องแมว เนี่ยอายุรู้ว่าคิดถึงแมวอะไรเงี้ยนะคิดถึงแมวรู้เรื่องราวที่คิดไม่มีทางหรอกที่จิตรู้จะเกิดเพราะอะไรพวกเราก็รู้เรื่องที่คิดใช่ไหมเราคิดทั้งวันอยู่แล้วเรารู้เรื่องราวที่คิดอยู่แล้วจิตรู้ไม่เกิดหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะตัวนี้แยกให้ออกนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดแต่เรารู้ทันว่าตอนนี้ได้จิตแอบไปคิดแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตแอบไปคิดแล้ว จิตรู้จะเกิดดีดผางขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะแต่ว่าตัวเนี้มันทรงอยู่ได้ชั่วขณะนะมันเป็นคณิกะสมาธิเท่านั้นเองงั้นมันเกิดทีละแวบเดียวเดี๋ยวมันก็ลงไปคิดใหม่ลงไปคิดใหม่รู้ทันอีกว่ามีไิคิดนะจิตรู้ก็เกิดอีกเนี่สลับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปพอชํานาญขึ้นเนี่ยจิตไหลไปคิดที่รู้สึกว่าจิตรู้ก็เกิดไหลอีกรู้สึกอีกนะจิตรู้ก็เกิด จิตรู้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะจนกระทั่งมันเหมือนกับเรารู้สึกตัวได้ต่อเนื่องในความเป็นจริงความต่อเนื่องไม่มีมีแต่ความเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสติปัญญาเราตามไม่ทันนะเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเที่ยงอย่างแสงไฟเนี่ยเรารู้สึกว่าคงที่ในความเป็นจริงแล้วไฟฟ้าเกิดดับตลอดเวลาวินาทีหนึ่งั้งหลาย10บครั้งแต่มันเกิดดับเร็วจนกระทั่งเรามองไม่เห็นความเกิดดับนั้นะ จิตนะั้นหลงไปคิดแบบถ้าเรารู้ทันนะรู้ขึ้นมาถ้ารู้ได้ทีๆมันจะเหมือนรู้ทั้งวันถ้าเราฝึกได้จนกระทั่งมันเหมือนมีความรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันนะ้วเราพร้อมที่จะเจริญปัญญาได้ลนะนะตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญหลวงพ่อนะฝึกกรรมฐานนหะลวงพ่อฝึกไปเข้าวัดไหนครูบาอาจารย์พูดแต่คำว่าผู้รู้ผู้รู้นะหลวงปู่โดนท่านก็พูดถึงจิตเป็นพุทธะเป็นผูร้รู้นะ หลวงปู่เทศท่านพูดเรื่องจิตกับใจจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวใจของท่านนั่นเองจนกระทั่งหลวงพ่อฝึกนะตัวตัวรู้ความรู้ตัวเนี้มีตลอดเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่สิมหลวงปู่ศิมท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ปฏิบัติอย่างนั้นผิดแล้วอะไรนี้ยเจอหน้าบอกเลยนะไม่ต้องถามเลย เรียกเราว่าผู้รู้ผู้รู้เราฝึกจนกระทั่งจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่ผู้คิดฝึกนะจกนกระทั่งรู้พอได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วงานหลักของเราต่อไปนะเราก้าวมาสู่การทําวิปัสสนากรรมฐานแนละวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การเห็นรูปนามวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามตัวนี้ต้องแม่นนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็ว่าดูท้องผองยุบเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกรู้ลมหายใจเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอก ลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ไปรู้รูปไปดูท้องดูมือดูเท้าเรื่องสมรถะทั้งหมดเลยต้องเห็นไตรลักษณ์นี่วิธีที่จะเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเราอาศัยจิตซึ่งเป็นผู้รู้แล้วนะมาดูลงในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยถ้าแยกออกไปแล้วเป็นส่วนๆเป็นกองๆคําว่าส่วนคําว่ากองเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าขันเราได้ยินคําว่าขันห้าไหมอย่าไปตกใจกับคําว่าขันนะ คำว่าขันถ้าแปลเป็นภาษาไทยหือเป็นกองกองเท่านั้นเองในสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นมันประกอบด้วยของ5้าอย่างห้ากองคือรูปรูปเนี่ยส่วนของรูปนะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆทางกายทางใจสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างแล้วก็วิญญาณ วิญญาณเป็นความรับรู้ก็คือตัวจิตซึ่งเกิดอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดทางตาเขาเรียกจักกุปิญญาณจิตเกิดทางหูเรียกสวตะวิญญาณจิตนั้นในขันห้าเนี่ยมันก็คือสิ่งซึ่งรวมกันเข้ามาแล้วเรียกว่าตัวเราถ้าเราจะทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นะจับมันแยกขันซะต้องแยกขันออกไปแล้วจะเห็นว่าตัวตนไม่มีเหมือนอย่างรถยนต์เราเห็นรถยนต์หนึ่งคันเรายืนยันเลยว่ารถยนต์มีจริงๆ เราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อไหมต้องมีใช่ไหมต้องมีเครื่องยนต์ไหมเครื่องยนต์ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมแต่รถยนต์ต้องมีเครื่องยนต์ต้องมีตัวถังด้วยใช่ไหมมีปวงมาลัยมีคันเร่งมีเบรกมีสารพัดจะมีแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นพอแยกออกมาแล้วจะไม่ใช่รถยนต์แต่พอมารวมกันแล้วมีรถยนต์ขึ้นมา ในลักษณะเดียวกันนั่นเองถ้าเราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเออกไปเป็นขันเป็นขันห้าหรือแยกเป็นอายตนะหก็ได้นะแยกเป็นาธาตุก็ได้ถ้าแยกาธาตุแยกขันออกไปได้แล้วเป็นส่วนส่วนเป็นกองๆองแล้วจะเห็นว่าแต่ละส่วนแต่ละกองนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาต้องหัดเราจะสามารถแยกาธาตุแยกขันอย่างนี้ไดนะ้ถ้าจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตเป็นผู้คิดนะ่ะขันมารวมกันเลย ถ้าจิตเป็นผู้รู้ขันจะแยกกัน น, นี่บางคนพอฝึกจิตเป็นผู้รู้แล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆอย่างนั้นไม่ได้นะยังไ ม, ไม่ได้เดินปัญญาเพราะฉะนั้นทำสมาธินะกระทั่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเนี่ยแต่ไม่พิจารณาแยกธาตุแยกขันนะก็ยังไม่ได้เดินปัญญาจริงต้องหัดแยกธาตุแยกขันถ้าเรายังแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะทํำยังไงบางคนเป็นโดยอัตโนมัตินะเคยสร้างสมบารมีเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนก่อน นะภาวันชาตินี้มาฝึกเข้ามาพุโทโธพุโทโธอะไรอย่างนี้นะใจรวมเข้าถึงฐานนะใจตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาได้นะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตส่วนจิตแยกกันเลยความสุขความทุกข์อยู่ส่วนความสุขความทุกข์กุศลหน้ากุศลอยู่ส่วนกุศลหนากุศลไม่ใช่จิตมันแยกเองเนี่ยคนที่เขามีบุญมีบารมีเคยสร้างสมอบรมพัฒนาปัญญามาแต่อดีตพอจิตเขาตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถะ้ขันเขาแตกตัวเลย รูปก็ส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกกันออกไปเลยถ้าไม่แยกเราต้องฝึกต้องช่วยมันหน่อยวิธีช่วยมันนะเราก็ทําสมาธิของเราตามปกตินั่งอย่างนี้ก็ได้นั่งอยู่แล้วคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่สังเกตไหมร่างกายที่นั่งอยู่นี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราฝึกเจอะทัานมีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วนะพอมาเห็นร่างกายนั่งนะจะรู้สึกเลยจิตมันเป็นคนดูอยู่ ร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เพราะฉะนั้นร่างกายไม่ใช่จิตร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกันนฝึกอย่างนี้นะเริ่มแยกกายกับจิตออกจากกันได้สองขันละเห็นไหมจากสิ่งที่เรียกตัวเราอันเดียวล้วนๆเนี่ยเริ่มแยกเป็น2ตัวแล้วคือร่างกายก็อันหนึง่งจิตใจก็อันหนึง่งเนี่ยนั่งไปนานๆนะมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาสังเกตลงไปที่ความรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยนี่เองจะเห็นเลยว่าร่างกายนั้นมันนั่งอยู่ก่อนความปวดความเมื่อยมันมาทีหลัง เพาะความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะหัดดูอย่างนี้นะแล้วก็ดูไปเรื่อยจะเห็นเลยความปวดความเมื่อยก็อยู่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เราแยกได้สามขันแล้วนะคือเวทนาขันรูปขันวิญญาณขันพอมันปวดมันเมื่อยมากเข้ามากเข้านะใจเราชักกระสับกระส่ายใช้ชักกังวลนะ ه, นั่งนานๆจะเป็นอมภารไหมเนาะแต่หลวงพ่อจะไม่เคยเจอนะคนนั่งกรรมฐานแล้วเป็นอมภาตเนี่ยมีแต่กินเหล้าแล้วเป็นอมภาตเนี่เห็นนั่งกรรมฐานเป็นอมภารนี่กิเลสมันหลอกเอาะไเห็นมีเลยในทางปฏิบัติพอเรานั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยนะกิเลสมันก็เริ่มทํางานนะมันเริ่มสอนแล้วอย่านั่งนานเลยนั่งนานอย่างเนี้มันเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยกหลวงพ่อประโมทบอกไม่ดีนอนดีกว่าเป็นทางสายกลาง กลางนี้ระหว่างพื้นดินกับฟ้าอยู่ระหว่างพื้นดินกับฟ้านี่ทางสายกลางกลางแบบนี้ขนานกับโลกกลางแบบเดลฉา น, นเดลฉานไปทางกว้างอย่างนี้งัน้นอยไปเชื่อมันเราสังเกตลงไปเลยพอเรานั่งไปนานนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งความทุรนทุรายของจิตใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งความปวดมันอยู่ที่ขา ความทุรนทุรายมันมาเกิดที่ใจเพราะงั้นความปวดกับความทุรนทุรายเนี่ยคนละอันกันนะแล้วค่อยๆดูไปแต่เดิมใจไม่ได้ทุรนทุรายความทุรนทุรายมาทีหลังมันเป็นคนละอันกับจิตใจของเราหัดแยกอย่างนี้นะขันมันจะแยกออกต้องลองซ้อมนะซ้อมทุกวันทุกวันพอขันแยกได้แล้วเนี่ยต่อไปดูไปเลยขันแต่ละขันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ขันทั้งหมดตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ร่างกายที่หายใจออกเนี่ยเห็นไหมร่างกายที่หายใจออกไม่เที่ยงหายใจออกได้ชั่วคราวก็ต้องหายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจได้เข้าชั่วคราวก็ต้องหายใจออกร่างกายที่นั่งอยู่ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมพวกเรานั่งแล้วเที่ยงไหมก็ใกล้เที่ยงแล้วอีกสิบกว่านาทีร่างกายก็ไม่เที่ยงนั่งเห็นไหมไม่นั่งนิ่งหรอกนั่งก็ยุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกไปเรื่อยนะ หรือนั่งไปนานๆก็ลุกขึ้นยืนลุเดินอะไรก็เปลี่ยนไปรูปนั่งก็ไม่เที่ยงรูปยืนรูปเดินรูปนอนก็ไม่เที่ยงดูอย่างนั้นก็ได้นะ <S <S <ม>หรือดูไปที่ความรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขก็ได้ร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ดูไปความสุขก็ไม่เที่ยงค ว, ความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขความทุกข์นั้นดูที่จิตใจก็ได้นะตาเรามองเห็นรูปตาเรามองเห็นคนคนนี้เดินมาใจเรามีความสุข ความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ลงไปเห็นคนนี้เดินมาใจมีความทุกข์ใจมีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ลงไปเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตนะแล้วเป็นของที่ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแล้วเป็นของที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เป็นอนัตตานะสั่งให้มันมีแต่ความสุขก็มันก็ไม่เชื่อห้ามมันอย่ามีความทุกข์มันก็ไม่เชื่อเนะนี่ยดูของจริงลงไปน้ําจะเห็นแต่ไตรลักษณ์ ร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงใช่ไหมร่างกายก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้สุขก็ทนไม่ได้ทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้เนี่อไตรลักมันแสดงอยู่ที่ขันหานี้เอง หรือกุศลนะกุศลอย่างความโกรธเนี่ยไม่ได้เจตนาจะโกรธมันโกรธขึ้นได้เองหัดดูลงไปแล้วจะเห็นนะความสุขความทุกข์กุศลกนะุศลอะไรนะรว้แต่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ดูของจริงเข้าไปแล้วมันจะเห็นไตรักเช่นความโลภเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาให้โลภมันโลภได้เองนะเรารู้เฉยๆความโลภก็หายไปนะใครเคยมีความทุกข์นานๆไหมเวลามีความทุกข์มากๆความทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยนพูดได้หรอกแต่ทำยากตอนน้ำท่วมบ้านเนอะทุกนานไหมออทุกมากที่สุดตอนไหนตอนยังไม่รู้ว่าจะท่วมหรือไม่ท่วมออพอรู้ว่าท่วมแน่นอนแล้วก็ทุกอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็กลับตัวได้คนไทยโบราณเก่งนะเขาอยู่กับน้ำเขาไม่เป็นศัตรูกับน้าเลยนะถึงน้ำมากนะลงเรือร้องเพลงเรือมันเสลยออนะแทนที่จะกลุ้มใจ เน่ขอเราดูลงไปนะความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงหันดูลงไปกุศลก็ไม่เที่ยงนะโรคหลอดหลงก็ไม่เที่ยงดูลงไปจิตใจก็ไม่ใช่ของเที่ยงจิตเดี๋ยวก็ไปรู้รูปจิตเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงจิตเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นจิตเดี๋ยวก็ไปรู้รสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งอย่างเวลาที่เราฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยสังเกตให้ออกไม่ได้ฟังอย่างเดียวบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อ บางครั้งก็ตั้งใจฟังฟังนิดนิดฟังสองสามคำสองสามประโยคก็ไปคิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆเคยเห็นไหมไปหัดดูนะเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดไอ้ที่ว่าฟังรู้เรื่องจริงๆไม่ใช่ฟังรู้เรื่องเวลาที่เราฟังจริงฟังไม่รู้เรื่องหรอกหูเราได้ยินเสียงเฉยเยแต่เราไม่ได้แปลจิตเป็นคนแปลที่แปลได้เพราะจิตมันไปคิด เันเวลาที่เราฟังอะไรต่ออะไรมาตั้งแต่เด็กเราบอกฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องจริงๆไม่ได้ฟังรู้เรื่องฟังนัรู้เสียงแล้วก็สัญญาเข้าไปแปลว่าเสียงอย่างนี้มีความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้จิตที่เราเลยรู้เรื่องะงั้นเวลาจิตมันก็จะเกิดดับจิตไปเกิดที่หูคือไปฟังบ้างจิตไปเกิดที่ใจคือไปคิดบ้างสลับไปสลับมาอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยสังเกตของจริงเลยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟัง ฟังสองสาประโยค์ก็หนีไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปเรื่อยๆไม่ได้เจตนาฟังไม่ได้เจตนาคิดจิตมันทำได้เองจิตที่ไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปคิดก็ไม่เที่ยงนี่เป็นอนิจจังไม่ได้เจตนาจะฟังหูมันมีเสียงมันมีมันได้ยินไม่ได้เจตนาจะแปลไม่เจตนาจะคิดมันแปลเองมันคิดเองนี่จิตเป็นอนัตตา ฮัดดูของจริงอย่างนี้แหละนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกถ้าไมื่รเราสามารถเห็นนะนะว่าขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างแจ่มแจ้งถ้าเห็นตรงนี้ได้ถึงวันหนึ่งจิตจะปล่อยความยึดถือในขันห้าทุกวันเนี้ยจิตมันยึดขันห้าไม่ยอมปล่อยมันยึดว่านี่คือตัวกูของกูนะเป็นตัวกูของกูอย่างเหนียวแน่นเลยต่อเมื่อมันเห็นความจริง ร่างกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็เป็นของเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนาธาตุที่ยืมโลกมาใช้โชคครั้งโชคคราวจิตเห็นอย่างนี้จิตจะคลายความยึดถือในร่างกายเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงกุศลกุศลก็เป็นของไม่เที่ยงจิตเองก็เป็นของไม่เที่ยงมิไดเกิดแล้วดับจิตมันจะไม่ต้องดิน้นรนแสวงหาอะไรเท่าไหร่หรอก ทุกวันนี้จิตเที่ยววิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์นะเพราอว่าเพราะอะไรพระคิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆตัวเรามันเที่ยงจริงๆพวกเราเคยหวังไหมเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเรามีบ้านสักหลังหนึ่งแล้วนะเราจะมีความสุขตลอดไปนึกอย่างนี้ไหมบางคนพยายามส่งผ่อนบ้านนะซื้อบ้านผ่อนบ้านมานะน้ำท่วมบ้านไปแล้วนะกะว่าไปเช่าบ้านเขาไม่ดีเลยนะไม่เป็นของเราไปซื้อบ้านมาดีกว่านะอดออมส่ง ดอกเบีย้ยทั้งเยอะแยะส่งไปได้บ้านมานะส่งดอกเบีย้ยยังไม่ทันหมดเลยบ้านเริ่มพังแล้วต้องซ่อมทุกอย่างมันชั่วคราวหมดเลยดูลงไปนะ่าจะเดือทั้งเรายอมรับความจริงจนใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวดูอย่างนี้ถ้าเมื่อไรใจยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทุกหรอกทุกวันนี้ที่ทุกเนี่ยเพราคิดว่ามันจริงจัง ถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราทุกวันนี้ที่อยู่กันอยู่ตลอดเวลานี้เหมือนฝันฝันไปเท่านั้นเองเหมือนภาพหลวงตาเหมือนความฝันเหมือนปยับแดดนะไม่ได้มีอะไรจริงจังหรอกงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะใจไม่ทุรนทุรายน้ําจะท่วมก็ไม่เห็นแปลกน้ํามันเยอะมันก็ท่วมสิมันท่วมได้มันก็ไปได้ถ้ามันไม่ไปเราก็ไปเองมันต้องไปกันข้างหนึ่งแหละะหรือไม่มันไปด้วยกันมีไหมคนตามน้ําไปก็หลายคนใช่ไอม สุดท้ายนะทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราวไปหมดเลยถ้าเรารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้เราทนได้เรารับได้หมดเรายอมรับความจริงได้วความแก่เกิดขึ้นไม่เห็นแปลกเลยร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวมันต้องแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นไม่เห็นแปลกเลยร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ความตายจะเกิดขึ้นความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะเกิดขึ้นการที่จะเจอสิ่งที่ไม่รักการที่จะสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าใจยอมรับว่าทุกอย่างมันธรรมดาเสร็จแล้วเนี่ยใจจะไม่ทุกข์หรอกแก่ก็ไม่ทุกข์นะเพราะมันธรรมดาเจ็บก็ไม่ทุกข์เพราะมันธรรมดาตายก็ไม่ทุกข์เพราะมันธรรมด า, ามเา น, ดานี่ยการที่เราจเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะมหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยแล้วเห็นธาตุขันธ์แต่ละอย่างตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษณ์เนี่ย ถึงจุดหนึ่งจิตจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเห็นนะทุกอย่างมันมีแต่ไตรลักษณ์ใจมันยอมรับความจริงแลทุกอย่างมันชั่วคราวไปหมดนะเมื่อยอมรับตรงนี้ได้นี่อะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปแล้ะความสุขเกิดขึ้นเราไม่หลงว่เริงเรารู้ว่าอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้ว่าอยู่ชั่วคราวนะอะไรๆก็ได้นะถ้าฝึกได้อย่างนี้แม้ความทุกข์จะหายไปเยอะเลย นี่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลนะอยากฟังเรื่องบรรลุมรรคผลไปฟังซีดีเอานะหลวงพ่อมีให้ฟังเยอะแล้ววันนี้มาเทศมงกว้างๆพวกเราหลายคนมันยังไม่ได้เจริญวิปั ส, สนาจริงนะมาฟังให้รู้หลักเอาไว้ก่อนแล้วไปลองทำดูขอแนะนำว่าเอา cd ดีไปฟังนะซดี CD. ไปที่วัดหลวงพ่อมีแจกนะมีแจกให้นังสือก็มีแจกให้ หรือบบางประเทศสาราลูงชินอะไรเงี้ยเขาก็มีแจกใหนะ้ไปเอาได้ไปแล้วขอว่าฟังฟังนะฟังแล้วฟังอีกฟังใหม่ๆไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจเพราะไม่ค่อยมีใครเ้าสอนกันเรื่องแบบนี้ส่วนมากเขาสอนก็นั่งสมาธิ เ, าเท่านั้นเองนั่งสมาธิได้สงบได้อีกวันนึงก็ฟุ้งไดนะ้ใจยังยอมรับไม่ได้ใจยังอยากได้ความสุขความสงบของสมาธิใจยอมรับไม่ได้ว่าสมาธิไม่เที่ยง แต่ถ้าเรามาฝึกถึงขั้นเดินปัญญาได้นะเราจะเห็นในทุกอย่างชั่วคราวถ้าเห็นตรงนี้ได้นะความทุกข์จะตกหายไปตอนหน้าต่อตานะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนนี่มีทั่วโลกเลยนะตอนเนี้ยที่ส่งข่าวมาให้ฟังหรือมาเอาหน้ามาให้เราเห็นนะเขาเย่อแยะเลยนะจากประเทศต่างๆก็มาเขาฟังซีดีแล้วเขาแยกธาตุแยกขันได้ไม่ใช่แค่ทำสมาธิได้ไอ้นั่นง่ายนะมีมอก่อนพระพุทธเจ้าอีก แยกธาตแยกขันได้เจริญปัญญาได้ทำมิปัสนาได้นะวันหนึ่งมรรคผลนิพพานไม่หนีไปไหนหรอกตรงที่จะได้พระโสดาบันนั้นก็คือจิตมันยอมรับความจริงแล้วว่าทุกอย่างนะเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วดับความร้อนความเย็นความตึงความไหวความอ่อนความแข็งอยู่ชั่วคราวทั้งหมดเลยความสุขความทุกข์ก็ชั่วคราว กุศลก็ชั่วคราวโลภหลดหลงก็ชั่วคราวจิต ท, ที่เกิดที่ตาจิต ท, ที่เกิดที่หูจิต ท, ที่เกิดที่ใจก็ชั่วคล้าวเรียนจนกระทั่งใจมันยอมรับนะแล้วมันจะรู้เลยไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรถ้าเห็นนลว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวร น, นั่นแนหะคือภูมิธรรมของพระโสดาบันหลังจากนั้นก็ดูธาตุดูขันต์ต่อไปอีกนะจนปัญญามันแจ้งร่างกายนี้นเป็นทุกข์ล้วนๆจิตหมดความยึดในร่างกายก็ได้ภูมิธรรมที่สูงขึ้นไป สุดท้ายการประนามจะรวมลงที่จิตดวงเดียวนะขั้นสุดท้ายเนี่ยจะแตกหักกันที่จิตเองจะเห็นว่าจิตเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรักอีกทีหนึ่งตัวผู้รู้ที่เราฝึกขึ้นมาด้วยความยากลําบากตัวนั้นแหละคือตัวที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตอวิชชาแต่ต้องมีก่อนนะอย่าเพิ่งไปทําลายมันต้องพัฒนาให้มันได้จิตผู้รู้คือจิตอวิชชานี้ขึ้นมาซะก่อนได้อาศัยมันเดินปัญญาให้แก่รอบให้เต็มที่เลยสุดท้ายแนละ้วมาทําลายตัวมันเองลงไปจิตปล่อยวางตัวรู้ลงไปอีกทีหนึง มันจะเหลือจิตที่เป็นอิสระนะนี่เป็นจิตที่เป็นอิสระเป็นธาตุรู้ที่เป็นอมตนะตัวตัวจิตไม่ออมตะนะตัวจิตเกิดดับนะสิ่งที่เป็นอมตนะ น, นั้นคือพระนิพพานจิตซึ่งมันเป็นอิสระแล้วนะมันสัมผัสกับพระนิพพานไปรู้พระนิพพานมีความสุขที่สุดเลยเอาวันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะเดี๋ยวพวกเราถ้าพ่อเทศอีกหนาทีนะธรรมะจะเสียหาย เพราะมันจะเที่ยงเราเทศแต่เรื่องไม่เที่ยงขอบคุณค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะจะกราบรัตนาในมณพระจารย์ได้มีเมตตาได้นำปฏิบัติเจ้าค่ะอ๋อสอนปฏิบัติจะเอาสมถะหรือเอาวิปัสนาเอาวิปัสสนานะ ใจฟุ้งซ่านอย่างนี้วิปัสสนาไม่ได้หรอกใจวอกแวกวอกแวกนะหัดวิปัสสนาเอาที่ง่ายที่สุดเลยนะเอาง่ายที่สุดเลยซึ่งพวกเราชาวเมืองเนี่ยทําได้โดยไม่ต้องหัดเข้าฌานนะแล้ค่อยรู้สึกค่อยรู้ทันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในใจของเราเองถ้าตาเรามองเห็นมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทัน ตามองเห็นมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้ทันนะหูได้ยินเสียงมีความสุขรู้ทันมีความทุกข์รู้ทั น, มมทนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันความสุขความทุกข์ในใจของเราเองเนี่ยทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะรู้ไม่ชอบรู้หรอกชอบไปรู้เรื่องข้างนอก นะต่อไปนี้แทนที่จะสนใจเรื่องภายนอกนะให้มาสนใจที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในตัวของเราเองครั้งหนึ่งพระอินทนระเคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นแก่นธรรมของพระองค์นะคสอนของพระองค์แล้วทำไงจะปฏิบัติให้รัดสั้นเลยท่านสอนให้พระอินรรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของเวทนาให้เห็นว่าเวทนาเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงคือความสุขความทุกข์นี่แหละ ไ, ไม่เที่ยง ดูไปนะการที่เห็นความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงไปเรื่อยนะต่อไปใจจะคลายความอยากออกความอยากคือตัวตัณหานีมันตามหลังตัวเวทนามาอีกทีหนึ่งพอมันมีความสุขขึ้นมามันก็อยากมีอยากเป็นอยากได้พอมันมีความทุกข์ขึ้นมามันก็อยากให้หายไปนะมันถ้าเมื่อไหร่ใจมันเห็นว่าความสุขมันของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความอยากจะไม่เกิดถ้าความอยากไม่เกิดความทุกข์ก็จะไม่มีเท่านั้นเอง ไปฝึกเอานะวิปัสสนาฝึกในชีวิตจริงนี่อรัธนาให้สอนแล้วพวกเราต้องการสอนให้ต้องการเรียนเรื่องวิปัสสนาก็สอนให้แล้วนะเวลาไปกินข้าวก็ดูความรู้สึกที่ใจไปนะอย่าบ่นแต่ดูว่าคนอื่นเขาได้อะไรไปกินนะนั่นะแหละกรรมฐานนี่วิธีสอนกรรมฐานของหลวงพ่อนะเวลากินรู้ทันเวลานอนรู้ทันเวลาทํำอะไรคอยรู้ทันยกเว้นอันเดียวเวลาทํางานที่ต้องคิด เวลาทำงานที่ต้องคิดจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้นี่แหละนาปฏิบัติแล้วนะเรานาจากของจริงเลยใครใจลอยบ้างนึก อ, ออกไหมฟังแล้วใจลอยหมดห้องแหละ <c oughs> <c oughs> ใจหวิบคิดหมดคอยรู้ทันใจของตัวเองเละขณะนี้รู้สึกไหมส่วนใหญ่มีความสุขรู้สึกไหมพอเห็นคนอุ้มเด็กเข้ามาใจวอกแวกรู้สึกไหมเ <c oughs> นี่ยรู้ลงไปนะทุกอย่างนี้ชั่วคราวนี่แหละคือการปฏิบัติแล้ว การปฏิบัติถ้าถึงขั้นวิปัสนากรรมฐานไม่ใช่ปิดหูปิดตานะตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันความเปลี่ยนแปลงน่ะนําปฏิบัติเท่านี้ก็พอละเดี๋ยวมันจะเที่ยงในลําดับต่อไปจะขอโอกาสในการกล่าวคําถวายสังฆทานข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ พระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเพื่องสังฆทานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสูสงขอพระพิสูสงจงรับซึ่งเครื่องสังฆทานพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นพุทธบูชาทรมรรคบูชาสังฆบูชาบูชาคุณบิดามารดาบูชาคุณครูบาอาจารย์ขออนุภาพแห่งการบูชานี้ จงเป็นพระลวะ ป, ะจจปัะะปะจจัยส่งผลให้ใหข้าพระเจ้าทั้งหลายาาได้เข้าถึ ง, ถงมักผลนิพพา น, า น, านในชาติปัจจุบันการนี้ด้วยเธิดธอาเดี๋ยวให้พรซะหน่อยนะ ยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินัางเปตานางอุปกปติอิชิตังปะติังตุมหังคิบเมวาสมิจตุสัปเเยปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตปันตรายโยสุขีที่คาายุโกภา อาภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารูธรมาวทันเตียยุวันโนสุขังพะหลัง